หสันจริตะสิกขาบทเพราะการทําหน้าที่ชักสื่อเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. รับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังขารทิเศ 2. รับคําไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุลใจสามรับคําไม่ไปบอก ไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุกกฏ